สิห้ามโนสัญญเจตนาวงเล็บเปิดหกันยายนพันห้า้อห้าสิบจุดจุดนาทีสสิบเกวงเล็บปิดคำว่าในเครื่องหมายคำพูดประคองหมายถึงจงใจที่จะรักษามันไว้จงใจที่จะปฏิบัติจงใจแม้แต่นิดเดียวนะก็สร้างพบได้ความจงใจเขาเรียกว่ามโนสัญญาเจตนาเจตนาคือความจงใจมีสัญญาคือจงใจอ ย, อย่างรู้ตัวที่จะจงใจด้วยนะ จงใจทํางานทางใจเลยเรียกว่ามโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนานี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอาหารอาหารมันทําให้เราเกิดชีวิต จ, จิตใจขึ้นมามโนสัญญาเจตนาคือความจงใจที่จะปฏิบัติทําให้เกิดการสร้างภพเพราะฉะนั้นมโนสัญญาเจตนาอาหารอาหารคือมโนสัญญาเจตนานี่แหละทําให้เกิดการสร้างภพรู้สึกไหมพอสร้างภพภายในขึ้นมาทันทีที่สร้างภพภายในมันก็มีตัวเราขึ้นมา มีความทุกข์ขึ้นมาใจถูกเสียดแทงขึ้นมาโดยอัตโนมัติดังนั้นอันนี้ตัวร้ายนะถ้ารู้ไม่ทันจิตจะสร้างพบไม่เลิกผัดสาหารผัสสะคืออาหารไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าเรารู้ทันตัวมโนสัญญาเจตนาดังนั้นตัวนี้ตัวสำคัญในวิถีแห่งความรู้แจ้งหลวงพ่อจึงเขียนถึงตัวนี้ไม่ได้เขียนถึงอาหารอื่นเพราะมันง่าย